ตอนโลกยิ่งเจริญศิลธรรมยิ่งเสื่อมวันที่10มกราคม2559กราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยมิตรทุกคนก็นั่งสบายสบายเนาะก็มีคำถามบ้าง คำถามเพิ่งเมื่อเช้านี้พรวกขูดแป่งออกมาคําว่าเมถุนสังโยต์พอเดินมาปุ๊บก็มีคนถามว่ามันคืออะไรเพราะในสังโยชติมันไม่มีคํานี้นะก็มันก็คือตัวราคะนั่นแหละคําว่าเสพเมถุนเนี่ยก็คือกามาลาคะอยู่ในสังโยชนตินะคือเมื่อเช้าบังเอิญพระาจาย์ท่าน ท่านให้พรไม่ชีท่านบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่ให้ทำอะไรบ้างข้อสุดท้ายที่ว่าไม่ให้เต้นลำท่านก็บอกเออของเราเต้นได้คือจริงๆแล้วถ้าเต้นลำเต้นด้วยอารมณ์ที่เรายินดีกับมันมันก็คือการมลาคะแต่ถ้าเราเต้นพระมันเป็นกิริยามันไม่ต่างอะไรที่ อันนีบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเต้นลามตีลังกาอะไรก็ช่างเราเล่นกีฬาเราโดดสูงอะไรก็ช่างนะถ้าทำเพราะทำเป็นแค่กิริยาไม่เนื่องด้วยเจตนาที่เราไปเสพมันนะไม่ไม่ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเมถุนสังยชนนะก็อันนี้แปลตรงๆก็คือกามรมลคะคือความยินดีหรือกำหนัดในการมลมกามหมายถึงความใคร่หรือยินดีในรสของอารมณ์ ที่ตรงกับความต้องการของจิตซึ่งตามธรรมดาแล้วคนเราย่อมต้องการอารมณ์รูปสวยนะเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลนซาบซ่านเป็นความใคร่ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติที่บอกแต่ว่ากรรมชี้เจตนาเราแยกได้อย่างไรนะว่า มันเป็นสังโยชน์หรือไม่มันเป็นเมถุนหรือไม่อยู่ที่เจตนาเราแม้กระทั่งพูดโทรศัพท์ทุกวันนี้ต้องระวังถ้าเราพูดเรายินดีกับมันเรามีความสุขกับมันน่ะนั่นคือเมถุนสังโยชน์ทั้งสิ้นเป็นกามลาคะนะถ้าเราพูดแค่สั่งงานทําธุระปุ๊บจบนะแต่ถ้าเรายินดีกับมันนั่นแหะอันนั้นเพิ่มกิเลสอันนั้นเพิ่มกิเลสแต่ทีนี้ ใครรู้กิจเรารู้เองนะคนเขาหนอาเขาดูเขกจดูพฤติกรรมเราถ้าทำบ่อยๆแล้วก็เป็นนิสัยแล้วเขาเห็นบุคลิกว่าเราทำปุ๊บเรามีความยินดีมีความชอบอันนั้นสนองกิเลสเรียกว่าเมถุนสังโยชน์ทั้งสิ้นเป็นการมกรมรลาคะนะก็แล้วรูปปรคะลาคืออะไร นะก็รูปปราคาคือความยินดีพอใจในความสงบชนิดที่มีรูปประธรรมอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งความยินดีพอใจในรถของความสุขอันเกิดจากฌานที่เป็นสมาธิเข้าขั้นรูปฌปานคือเพ่งเอาวัตถุหรือรูปหรืออารมณ์เป็นที่ตั้ง แน่วแน่จนเป็นรูปประจานเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็ยังมีราคะอย่างละเอียดจึงต้องละรูปดูป ร, ราคะนี้เสียเพื่อก้าวไปสู่ความสงบสันติของพระอริยบุคคลพระครูพูดเรื่องนี้หลายครั้งทุกวันนี้เราไปเพ่งท้องเพ่งอะไรเพ่งจับอะไรก็ช่างเนี่ยเพ่งอสุภะเพ่งกระสินเพ่งอะไรก็ช่างเนี่ยเพื่อให้เกิดความสงบชั่วครู่นะ ถ้าเพ่งตรงนั้นมันจะเกิดฌานถ้าเราเผลอปุ๊บเราก็ไปติดสุขในฌานมันเป็นความสงบชั่วครู่แต่ถ้าเป็นหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เสียเวลาเปล่าติดสุขก็เป็นเป็นลาคะนะเป็นลาคะอย่างหนึ่งนะเป็นเมถุนสังโยชน์ก็ได้เพราะเราไปยินดีกับตรงนั้นเห็นไหมทุกอย่างมันมีประโยชน์สมถกรรมฐานมีประโยชน์ เพราะมันสร้างกำลังให้สมาธิสมถากรรมฐานสูงชุดก็คือฌานสี่เอกคะะตาลมทำให้เรามีอารมณ์อุเบกขาเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปหลงอยู่แค่นั้นติดสุขอยู่ตรงนั้นติดสงบอยู่ตรงนั้นน่ะนะเขาเรียกว่าติดสุขในฌานนะกี่สิบปีมันก็ไปไปไหนเหมือนสปริงเรากดมันไวล่ะเออเราเราเร า, เราชะลาใจมันสงบสงบ พอไปเจอไอ้กรรมลูกโตๆมาชนปุ๊บเด้งผางเลยนะยุคนี้เราก็เห็นนะเออเราเห็นสามสี่สิปีติดอยู่ตรงนั้น่ะพอถึงเวลาเนี่ยเด้งผางเลยอันเนี้ยต้องระวังนะช่วงเราช่วงหลังนี่พวกเราก็มีเพราะเราชอบเรียนรู้ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เขาก็บอกให้ทำไปลองทำดูเอะมันสงบจริงๆ จิตพวกเราเนี่ยมันเลยตรงนั้นแล้วมันเข้าไปในจิตในจิตมันมีพลังแล้วมันไปอยู่ตรงไหนก็สงบเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันสงบนะไม่ได้ไปติดสงบนะอันนี้เป็นสงบเนี่ยมันสงบจากมันเกิดจากลูกประลาคะเกิดจากฌานเป็นความสงบชั่วคู่แต่ถ้าเราจะเรินต่อไปเรื่อยๆ เ, เราต้องละลูกประลาคนี้ซะนะ ไปเจริญวิปัสนาเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ทําลายเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบออกมานี่คือขัดเจ้าจิตให้ผ่องใสตอนนั้นมันจะสงบด้วยปัญญาเพราะมันแก้ที่ต้นเหตุนะมันน่าหลงมากเพราะมันสุขมากนะในในวิปัสสนาก็มีวิปัสสูกิเลสไม่ใช่ปลอดภัยนะในสมถะถ้าถ้าหลงยึดมันก็เกิดฌาน มีอภิญญ า, ต, า, ต, าต่างเป็นผู้วิเศษมันก็ทำให้เราหลงก็มันไม่ได้ผิดนะมันก็เป็นกรรมที่อดีตเราฝึกมาแล้วแล้วก็ติดมันแล้วเราถึงได้มาเกิดอีกนะบังเอิญจิตปัจจุบันก็มีกิเลสอีกพอไปเจอปุ๊บเรื่องอะไรจะเหวี่ยงทิ้งมันก็เป็นปกติมันไม่ได้ผิดมันก็เป็นไปตามกรรมถ้าเราไม่เลิกกรรมนี้นะเราไปส่งเสริมมันเรื่อยๆเนี่ยเราสร้างกรรมใหม่มันก็เกิดจิตวิปลาส ผู้เจ้าบอกบางครั้งต้องจับศรัทธาไว้นะถ้าเราไม่จับศรัทธาไว้แล้วเนี่ยเผลอทุกลาลโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยความรู้เรา90เปรเซ็นต์เกิดขึ้นจากการอ่านการฟังนะถ้าอ่านฟังเกิดปัญญาปุ๊บล้วก็วางเราได้สุตตะมยปัญญาแต่ถ้าอ่านเพื่อไปจำข้อมูลมันนะ ไม่ใช่ได้ปัญญาได้องความรู้ความรู้หนึ่งอย่างกลายเป็นหนึ่งสัญญาสองอย่างสาอย่าง4ี่อย่างหาอย่างหลายๆสัญญารวมกันเป็นกลายเป็นคณะสัญญาไปสร้างอัตตาขึ้นมากั้นบังอนัตตาไม่ใช่รู้มากก็ดีนะรู้มากก็ทุกมากยุคนี้เนี่ยความรู้องความรู้เราเกิดจากการอ่านการฟังการจานะ ถ้าเราฟังปุ๊บอย่างครูบาตานรเทศเนี่ยเราฟังปุ๊บเราเข้าใจปุ๊บมันจะทิ้งความไม่เข้าใจทิ้งนั่นแหละเกิดปัญญาเขาเรียกว่าสุตตะมัยยปัญญาแม้กระทั่งบางครั้งนี่เรานั่งคิดอยู่คนเดียวปิ๊งสว่างเลยนะอันนั้นเรียกว่าจินตมยยะปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเพราะเราอยากเราก็เอาข้อมูลเก่าคิดย้ำคิดย้ำทาคิดไปแล้วก็งงออกมาไม่เป็นเลย นะแทนที่จะเกิดปัญญาเนี่ยสร้างมโนกรรมเรื่องเดียวกันนะอันนึงไปสวรรค์นนหนึ่งอันนึงไปนรกเลยมันเป็นของคู่ไงที่บอกว่าอย่าประมาทนะพ่อครู26ปีอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนั้นต่อนะตอนนี้คำถามมีนิดหนึ่งอดีตชาติพ่อครูเป็นใคร สร้างกุศลอะไรไว้บ้างจําเป็นต้องรายงานไหมพ่อครูไม่มีอดีตไม่มีอนาคตปัจจุบันเขาสมมุติชื่อเรียกว่าพ่อครูแค่นั้นพอเนาะไม่รู้จะรู้ไปทําไมฮะรู้แล้วบรรดูทํำไหมจะเรียนแบบเหรอเรียนแบบก็ไม่ได้หรอกตายแล้วไปย้อนเกิดอดีตไม่ได้นะักกายแล้วมันไปอนาคตนะ มันจะกลับไปอดีตไปแก้ไขไม่ได้เนาะนะเอาเป็นว่าปัจจุบันฟังพุทธเจา้าทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสก็พอละไม่ต้องไปรู้หรอกนะใครเป็นใครตัวเองยังไม่รู้เลยตัวเองเป็นใครเลยเห็นไหมละ่ะยังอยากจะไปเรื่องคนอื่นอีกก็เมื่อกี้พ่อครูเกินความรู้ยุคนี้เกิดจากการอ่าน ท่องจําฟังแล้วก็จํามันเป็นแค่องค์ความรู้นะเป็นแค่องค์ความรู้ยิ่งเยอะยิ่งอัตตาเยอะนะสร้างอัตตาตัวเองมันไม่ใช่ทางพ้นทุกมันเพิ่มทุกอีกทีนี้บางทีนักวิชาการยุคนี้เนี่ยเนื่องจากไม่เคยศึกษ า, าศาสนาเลยไม่มีเวลาไงเพราะเวลาไปเรียนเรียนเรียนวิชาการกว่าจะจบสูงสูงเลยเนี่ยครึ่งค้อนชีวิต แล้วก็มาทำงานทางานแก้ปัญหาไม่มีพอเห็นทุกปุป๊บมาศึกษาทำบ้างทีนี้ก็เอาเอาจริตเดิมที่เคยเรียนดูก็ไปอ่านหนังสือเขาบอกอันนั้นดีๆก็มาอ่านอ่านเกิดเกิดดีนะมีประโยชน์นะแล้วก็ยัดเยียดให้คนอื่นด้วยนะเพราะมันมีประโยชน์พระพุทธเจ้าเตือนมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตำลาคนนี้อ่านเข้าใจคนนี้อ่านเข้าใจผิด อ่านเข้าใจถูกมันก็ทำถูกอ่านเข้าใจผิดก็ทำถูกแล้วก็ทาผิดคนเราปัญญาไม่เท่ากันทีนี้เราเอาเร า, เราเองเป็นมาตรฐานนะทีนี้ไอ้ภาษาเนี่ยถ้าคนเขียนให้เราเข้าใจได้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นนักเขียนมันเขียนเก่งตอนนี้ตะละปัดแล้วนะตอนนี้คนไทยเราคนเอเชียเราไปเรียนเรื่องจิตวิญญาณกับฝรั่ง เรื่องาศาสนามันของตะ ว, วันออกทั้งนั้นแหละแล้วบังเอิญฝรั่งเขาเก่งมากเรื่องนี้เนี่ยหลังจากเขาศึกษาแล้วเนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดภาษ า, าศาสนานี่กลายเป็นภาษาทันสมัยแล้วก็ใช้เหตุผลหวดตับตับตักะอธิบายให้เราเข้าใจง่ายนักวิชาการชอบมากนะทีนี้พวกครูบอกแล้วภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดเขียน ไม่ผิดเลยนะถูกต้องแม้กระทั่งประไตรปิฎกเนี่ยทำไมเราต้องไปอ่านฝรั่งแปลมาให้เราอ่านทําไมเราขี้เกียจอ่านพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเขาเจนภาษาโบราณย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเขามีนัยยะนะอ่านย้อนไปย้อนมาย้อนไปมาเดี๋ยวมันก็แตกฉา น, นถ้าอ่านบ่อยๆ อ, อันนี้คืออ่านลักษณะคนโบราณแต่ทุกวันนี้คนสมัยใหม่ไม่ชอบนะชอบภาษาที่อ่านปุ๊บเหมือนเข้าใจง่ายอ๋ออ๋อออ แล้วเราเข้าใจว่าเราก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจผิดเมื่อไหร่มันเป็นโทษมหันต์ผู้ชาติบอกยาเพิ่งเชื่อตำลางไงอันนี้เห็นปุ๊บยังอ่านไม่จบเลยส่งให้คนอื่นแล้วมันดีมันดีมันดีมัน ด, มน ด, มนดีมันก็เลยลามทุ่งไปเลยและยุคนี้อันตรายมากนะเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะการสื่อสารมันเร็วมากเพราะครูเคยพูดหลายปีก่อนเขาบอกว่าจะเป็นยุคอะไรละ่ะ ข่าวสารไล่ผมแดนพอครูบอกว่าข่าวสารดีก็ดีไวข่าวสารเร็วก็เร็วไวไอ้ที่มันดีๆอยู่นั่นแหละต้องระวังมันอาจจะแฝงด้วยความเร็วนั้นได้มันดีเพราะว่าเราชอบเขาเขียนเข้าใจง่ายนะคนที่เขียนเอาความรู้นี่มาจากไหนก็มาแปรจากศาสนาที่อยู่ในตะวันออกนี่ไป แต่เขาเข้าใจเขาฉลาดที่ใช้ภาษาสากลนะเราก็ไปเชื่อเขานะมันดีทั้งนั้นแหละนะที่ดีกว่านั้นน่ะที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องอ่านไม่ต้องเสียเวลาไงปฏิบัติน ะ, นะก็พระครูนั่งดูอันนี้ข่าววันนี้นะ ถ้าเป็่งออกมาสงสัยอาจารย์อ้อยจะหายป่วยนะว่าเป็นคนที่อาจารย์อ้อยนับถือมากวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งเขานั่งคุยกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักศาสนาเขาบอกว่าสตีเฟนฮอปกินทำนายว่าทำนายอย่างแล้วนะปีที่แล้วทำนายว่า ทีมฟุตบอลอังกฤษถ้าใส่เสื้อสีแดงจะเป็นแชมป์โลกตกรอบแรกตอนนี้ทำนายอีกแล้วภายในร้อยปีมนุษย์จะทำร้ายกันเองเสี่ยงที่จะสูญพันภายในร้อยปีนี้นะเนื่องจากวิทยาศาสตร์จเจริญมากฟังดีๆนะ เนื่องจากวิทยาศาสตร์จเจริญมากมนุษย์จะมีอายุพันพันปีอันนี้เขาบอกภายในร้อยปีนี่มนุษย์จะทำทร้ายกันเองจนจะสูญพันธุ์เขาจึงส่งเสริมให้ส่งมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งไปเผยแพร่เผ่าพัานธุ์ที่ดาวดวงอื่นเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์เห็นไหมวิทยาศาสตร์จเจริญมากต้องรีบส่งมนุษย์ขึ้นไปรักษาเผ่าพันธุ์ เพราะมันจะทำร้ายกันเองทีนี้มันมีหยิกข้อมูลหนึ่งหนึ่งอันนี้มันมันช้องจองกันนะบิวเกตก็ถือว่าอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะคนสร้างเทคโนโลยีรวยที่สุดในโลกเขาบอกว่าหลังจากมีไอทีเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตมีระบบโซเชียลมีเดียเนี่ยระบบที่มันเร็วเนี่ยนะเขาบอกความเร็ว ของเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเวลาชีวิตของมนุษย์ก็ถูกเร่งเร็วขึ้นเปรียบเทียบกับสุนัขซึ่งเขาเรียกว่าด o อกเยียหรือ y ย a r d o ดอกคือว่าอายุของหมาอายุของสุนัขนี่ปีหนึ่งของมันเนี่ยเท่ากับคน8ปี ฟังนะอันนี้ก็เร็วขึ้นถ้าเอาทฤษฎีของบิลเกตนีเนี่ยนะไปบวกกับคำทํานายของสตีเฟนฮอวกินร้อยปีต้องมาหานอีกแปดเหลืออยู่แค่สิบสามปีมนุษย์จะศูนย์พันฟังเราวน่าใจหายไหมนี่คือความเจริญของวิทยาศาสตร์ แล้วนักวิศาต์เองก็ทํานายว่ามนุษย์เราจะสิ้นชาติเพราะฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองเขาก็คำนวณตามทฤษฎีของเขาอะนะวันนั้นเขาคำนวณทีมชาติอังกฤษพลาดไปนิดหนึ่งเข้าใจไหมมันอาจจะตกหล่นตัวเลขหนึ่งเท่านั้นเอง <c oughs> นะตกรอบแรกเลยอันนี้ก็ขออธิฐานให้คุณสตีเฟนเนี่ย เขาทายผิดอีกสักครั้งหนึ่งเถอะโลกเราจะได้อยู่ยาวกว่านี้แต่นี้ไม่ใช่พูดเล่นนะอันนี้คือมันเป็นภาพสะท้อนความจริงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นสงครามนิวเคลียร์มันจ่ออยู่ภัยธรรมชาติที่มนุษย์เราเนี่ยวิทยาศาสตร์เก่งมากไปทำลายความสมดุลของมัน กว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีไม่รู้นะมันสู่ขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลเอามาแลกเป็น GDP มันก็เป็นโพงมันก็ถล่มเห็นไมก็วันนี้เขาถกกันทีนี้อีกด้านหนึ่งทางฝ่ายศาสนาเขาบอกว่าไอการที่ส่งมนุษย์นี่ไปเผยแพร่เผ่าพันธุ์เนี่ยที่ดาวดวงอื่นนี่มันเป็นปายเหตุ แล้วลงทุนลงทุนเยอะอย่างใช่เหตุเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนทุกศาสนาเนี่ยนะศาสนานิกชนทุกทุกศาสนาเนี่ยแค่ดึงทุกคนเข้ากลับไปสู่ศาสนาถ้าพุทธเราเข้าไปสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทุกศาสนาเดินเข้าไปสู่พระเจ้าของตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยนะ แค่นี้โลกก็สงบแล้วแล้วก็บวกกับนักวียศาสตร์หยุดทําลายโลกซะอายุมนุษย์เราก็ยืนยาวเห็นไหมเหมือนกรุงเทพรถติดอ่ะพอ ก, กูถามใครทุกขนน่ะมาจากกรุงเทพว่ารถติดนี่ลิงหรือไก่เป็นตัวทําให้มันติดทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าคนแล้วถามร้อยทั้ง้อยเลยว่ารถติดนี่ดีไหมไม่ดีหมดเลย มีความสุขไหมทุกหมดทุกคนเลยแล้วถามต่อไปว่าแต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่ทำไมรถไม่ติดคนทุกวันนี้ฉลาดมากทำไมทำให้รถติดเราฉลาดจริงไหมยุคนี้วิยาศาสตร์เก่งจริงไหมเราเรียกว่ายุคสี่วิลลยเพราะครูไม่เชื่อคนล้นคุกคนล้นโรงพักคนล้นโร ง, งพยาบาล ถ้ายุคสี่วิลัยจริงๆเนี่ยต้องไม่มีคนติดคุกต้องไม่มีคนเป็นไข้พอรถกรุงเทพติดเราก็เรียนวิชาใหม่วิชาจราจรวันเววันเววันเวเห็นไหมอยู่ ใ, ใกล้ๆวิ่งไม่ได้ต้องวิ่งอ้มอมเพราะมันรถติดเพราะ ค, ครูเคยยกตัวอย่างแล้วมีสนามฟุตบอลหนึ่งเนี่ยไหมสี่มุม มุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่วันหนึ่งเราเอานักวิ่งสี่ร้อยเมตรมายืนอยู่ที่มุมที่หนึ่งเอาทาซานมายืนอยู่ที่มุมที่หนึ่งะให้มันแข่งกันเป้าหมายคือมุมที่สี่เรายิงปืนเปี้ยงนักวิ่งร้อยสี่ร้อยเมตรวิ่งไปที่มุมที่สองไอ้ทาซานมันวิ่งมามุมที่สี่ถามว่าใครถึงก่อนทาซานถึงก่อน นี้ไอ้คนทางโลกเราไปด่ามันไอ้เจ้าป่าเนี่ยไอ้คนป่าหนิงโง่จริงๆเลยไม่รู้จักคติกาสังคมไอ้ทาสานมันก็งงว่าไอ้มนุษย์พวกนี้มันบ้าไม่บ้าทางใกล้ไม่วิ่งไปวิ่งทางไกลนี่แหละคือผลที่เราเก่งมากๆโลกมันอยู่ไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วเนี่ยมาถึงยุคเราบอกว่าอีกแค่ไม่เกินร้อยปีเนี่ยเด้ง ต้องตบมือดังๆมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นเพราะความรู้ยุคนี้เน่เราเรียนแบบท่องจบไปจำความรู้แล้วก็เอามาความรู้นั้นมามาสร้างอะไรไม่รู้ที่ทำลายโลกเราไม่ศึกษาเรื่องปัญญา น, นี่เรากาพะพุทธเจ้าทุกวันเห็นไหม เรากราบพระพุทธรูบนี่เพื่อราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสแต่เราไม่เคยทําตามพระ อ, องค์เลยเราทุกซี่เพราะเราผิดศีลเรามูสาเราไม่ซื่อสัต์ตรูพระ อ, องค์อันนี้เรียกว่าปากว่าตาขยิบหน้าไหว้หลังหลอกเห็นไหมเพราะคูบอกแล้วไม่ใช่อายุพวกเรานับถอยหลังนะ พวกเราไม่เกินร้อยปีสักคนหนึ่งดั่งอยู่ที่นี่นะแต่โลกใบนี้เนี่ยบอกภายในร้อยปีไงถ้าร้อยปีหารแปดนี่ไม่ถึงนะหรือสิบสาปีเท่านั้นเองโลกเขาอยู่ดีๆของเขาเรามาเรียนให้มันเก่งๆๆแล้ว ก, ก, ก, ก็เก่งทําลายนะแล้วก็ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเมื่อเช้าคุณนุชไปกราบพ่อครูจลามั่ แกก็บนเนาะแกบอกแกเครียดกบกเครียดทำไมญาติญาติแกแบ่งมรดกให้ลูกๆมันไม่พอใจมันจะฆ่ากันแล้วบอกเกี่ยวอะไรกับคุณมุดอ่ะหาเรื่องไม่สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เครียดแล้วยังไง จะไปล่วงวงตีกับขาวบ่อไม่รู้ฝึกมาทำไมเห็นไมหาเงินมาให้ลูกมันทะเลาะกันแล้วมาทุกข์เพราะลูกมันทะเลาะกันมันทุกข์เพราะมันมีนะถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องแย่งกันไงมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะอย่าว่าแต่ศัตรูเราเลยคู่แข่งทางการค้าต้องทะเลาะกันนะ พี่น้องกันยังทะเลาะ ก, กันเลยใครสอนมันเป็นอย่างนี้ก็พ่อแม่สอนให้มันเก่งไงมันก็เลยเก่งเก่งกับพี่กับน้องไงโรงเรียนก็สอนคุณธรรมสอนคุณธรรมแต่ไม่มีวิชาไหนสอนคุณธรรมเลยสอนแต่ไปท่องจําพุทธประวัติแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงคือคุณคือสิ่งที่คุณทําคุณทําอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเนาะ บังเอิญพวกเราโชคดีมากที่ได้มาเกิดในยุคนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่มีบุญไม่ได้มาเกิดนะไม่ใช่หลายหลายปีมีครั้งหนึ่งนะหลายหลายชาติมีครั้งหนึ่งนะสิ่งที่จะมันเกิดขึ้นไม่รู้กี่ชาติละ <c oughs> เออไม่รู้ประวัติศาสตร์เรามีกี่กี่กี่ปีหลายหลายปีล่ะแต่มันบอกว่าเหลือเวลาไม่เกินร้อยปีสนุกดีเนาะ นักยีศา์ไม่มีงานทําตัวเองมาสร้างเองตัวเองก็มาทำนายเองว่าสิ่งที่ฉันเองสร้างมันจะทำให้โลกอายุสั้นก็พ่อคูไม่ได้พูดเล่น26ปีก่อนวันที่มันเกิดอาการระเบิดพ่อคูเลิกนับถือพระเจ้าทันทีเพราะคําว่านับถือมันหยากไปบูชาถวายชีวิตพระ อ, องค์ พระ อ, องค์ไปรู้ได้อย่างไรไปเห็นได้อย่างไรรู้วิธีแก้ด้วยแต่ไม่มีคนเอาเพราะมันง่ายเกินไปไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อทุนนิยมวัตถุนิยมยเละตุมเปะเลยก็กรำใครกรำมันนะเนาะไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวใครวางคนนั้นก็เบาใครแบกคนนั้นก็หนัก มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเพราะคูเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดไม่กล้าฝืนกฎแห่งกรรมใครสงวนตัวไม่ใช่กลัวตายนะเพราะไม่อยากสร้างกรรมร่วมกับใครไงแต่ยี่สบกปีนี้ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่พอแลวเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้เยอะแยะเลยเห็นเพราะครูไม่ยอมอ่านหนังสือก็ ก็ไม่พอใจนะพเพราะก็าบอกมันดียังไงเพราะครูไม่อ่านก็บอกเพราะครูไม่เข้าใจเนาะถูกแล้วเพราะครูไม่เข้าใจภาษาไม่รู้จะเขียนมาทาไมไม่เข้าใจจะเขียนมาทำไมเพราะครูมมีอะไรสงสัยเลยจะไปอ่านให้มันทุกทําไมใช่ไมใครอ่านมีความสุขใครอ่านเกิดปัญญาก็อ่านไปไม่ต้องไปยัดเยียดให้คนอื่นอ่านบางทีมันเข้าใจไม่เหมือนกัน เห็นั้ยนี่แหละ อ, องค์ความรู้ทุกวันนี้ <S <S มีนักศึกษาเคยมาทำวิทยานุพันธ์ที่นี่นะปริยาโทรปริยาเอกอะไรเนี่ยเขาก็ปรึกษาพ่อครูหลายอย่างพอพ่อครูให้ที่ปรึกษาแล้วปุ๊บนี่ยเขาไปถามอาจารย์ที่สอนวิชาเขาบอกว่าต้องอ้างอิง ไม่อ้างอิงหนังสือเล่มนั้นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนักปราชญาคนนั้นเรสอบตกหมดเป็นความรู้ตัวเองไม่ได้ความรู้เป็นอย่างนั้นไงพระยาเอกก็เป็นแบบนี้คาว่าต้องค้นคว้าวิจัยเขาต้องค้นคว้าความรู้คนอื่นมีที่อ้างอิงแสดงว่าเธอค้นคว้าแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้ของเราเลยนะ ถ้าเราไปวิจัยเองเราบอกอุ้ยเอาความจริงที่พูดปุ๊บมันไม่มีไม่มีมมที่อ้างอิงสอบตกองความรู้มันก็บีบให้เราต้องเดินตามลายนั้นอยู่แล้วเห็นไหมแล้วมันจะเกิดความรู้ใหม่ได้ยังไงมันหลงตั้งแต่แรกแล้วนะเมื่อเราตั้งโจทย์ผิดเราทําถูกแค่ไหนก็ผิดเราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้ง เราเอาอนาคตเป็นที่ตั้งและอนาคตนี่ก็หมายถึงว่าเธอต้องเก่งวิชาการอะไรๆก็ต้องยึดหลักทางวิชาการอะไรๆต้องยึดทางกระทางกฎหมายแล้วก็กฎหมายฉบับเดียวกันเถียงอยู่ตรงนั้นแหละฉบับเดียวกันนะทนายสองคนแปลไม่เหมือนกันแล้วจะยึดยังไง เราตีความเข้าข้างทิติมานะของตัวเองก็บอกแล้วภาษามันหยาบเกินไปใช่แต่ถ้าเราฝึกจิตเรามีปัญญาแม้กระทั่งไม่มีกฎหมายเราก็ไม่ทะเลาะ ก, กันจิตมีปัญญาก็จะหาเรื่องสร้างกรรมทาไมเขาจะมีแต่เมตตาเขาจะไปเอาเปรียบคนอื่นทำไมเขียนกฎหมายทีแค่ไหนก็ช่างมันก็มีช่องว่าง นะคนพุทธเราเนี่เก่งเลี่ยงบาลีคนไทยเราเนี่เก่งวิชาสิงคโปร์นะลอดช่องช่องเล็กแค่ไหนก็ช่างฉันก็ลอดได้หมดล่ะแต่ถ้าเรามีคุณธรรมเสยอย่างนี่ไม่ต้องเขียนกฎหมายเลยไม่ว่าต่อหน้ารับหลังนี่เขาไม่มีเหตุผลที่จะไปทำความชั่วหรือเบียดเบียนคนอื่นเพราะครูจะบอกว่าเราแก้ปลายเหตุหมด เราแก้ปายเหตุนะก็สองสามวันที่ผ่านมามีกาลยมิตรมาจากกรุงเทพก็เป็นนักวิชาการเขาก็ได้ยินข่าวก็ถามพ่อครูว่าทำไมต้องฟิตเนสเขาศรัทธาเคาเพรพพ่อครูเหมือน ท่านแงสภาวะเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยสูงส่งมากเหมือนสุญญาตาลแล้วทำไมมาเล่นเกมเด็กๆมันเล่นฟิตเนสพ่อครูก็ถามลูกชายเขาว่านาฬิกาเนี่ยเลขสูงสุดมันเลขไหนเขาบอกเลขสิบส ระหว่างเลข6กไปถึงเลข12นี่กี่นาทีเขาบอกว่าสามอสนาทีระหว่างเลขหกไปถึงเลขหกนี่กี่นาทีหสนาทีสูงสุดมันอยู่ที่เลขหกสูงสุดคืนสู่สามันสุดท้ายไม่มีสูงไม่มีต่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเหมือนหลักปฏิสมบุทบาร์ล่ะตรงไหนก่อนก็ได้ตัวนังหลังก็ได้มันไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายแล้วก็มันไม่มีปดมเหตุ แต่วิทยาศาสตร์เราพยายามแสวงหาบทมเหตุหาไม่เจอคาดคะเนเอาจักรวาลนี้น่าจะเกิดจากการบิ๊กแบงแล้วถามว่าตัวไหนทำให้มันบิ๊กแบงมันบิ๊กแบงด้วยตัวมันเองได้เหรอเห็นไหมเราไม่รู้จริงสะอย่างหนึ่งผู้เจ้าไปเห็นมาแล้วไอสไตน์ก็ค้นพบแล้วทฤษฎีนี้นะแต่บังเอิญว่าโชคร้ายหน่อยหนึ่ง ไปจบหยุดแค่รูปประทัอยู่ที่พลังงานถ้าวินาทีนั้นไอสต่ายพบมูทิเจ้าอาจจะเป็นพระอาหารหันต์ไปแล้วทฤษฎีสัมผัสภาพสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็น ไ, ไหมมันมีด้วยตัวมันเองไม่ได้มันมีสิ่งนี้เนื่องจากสิ่งนี้ผสมกับสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งนี้เมื่อนั้นเด็กคนหนึ่งน้องดีจังอายุห้าขวบวิ่งมาถามพ่อู มนุษย์คนแรกมันคือใครมันมาจากไหนเด็กมันบริสุทธ์นะมันก็ถามใช่ไเราก็คาดคะเยเอ๊ะมันน่าจะเป็นมาจากกลิงกายพันเพราะครูตอบว่ามันมาจากการกายพันพ่อแม่สองคนผสมพันธ์กันก็ออกมาเป็นลูก ลูกนี้เกิดจากการกลายพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผสมกันมันเกิดจากการกลายพันธ์ DNA เหมือนกันเลยลูกฝาแฝดแต่อันี่ขี้แยนี่ไม่ขี้แยอันนี้ไอคสูง i อคต่ำเกิดจากอะไรอีกเกิดจากกรรมพันธ์หรือกรรมพันธ์จากอะไรจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เดียวกันไง DNA เหมือนกันแต่ว่าทำไมมันไม่เหมือนกัน เกิดจากกรรมเก่าที่มันสร้างมามันตามมาไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ศึกษานามธรรมาเราจึงเข้าไม่ถึงตรงนี้ถ้าวิาทยาศาสตร์จะปฏิเสธนามธรรมานะรูปธรรมก็เราต้องศึกษาแล้วเราก็เก่งมากเลยแต่เนื่องจากเราไม่ศึกษานามธรรมา ไอ้กักิเลตมันอยู่ในจิตมันอยู่นามะธรรมาเนี่ยมันก็ทําให้เราไปทำไอ้เครื่องมือรุนแรงเพื่อทําลายโลกอีกแต่ถ้าเราเก่งเรื่องรูปธรรมแล้วเราศึกษานามะธรรมาด้วยแล้วจะเอาปัญญาตัวนี้เนี่ยมาทําให้รูปธรรมเราแข็งแรงทําให้โลกใบนี้แข็งแรงทําให้มนุษยาชาติแข็งแรงแต่เราไปแข็งแรงเรื่องรูปธรรมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเครื่องมือเนื่องจากเราปฏิเสธนา ม, มาธรรม เราจึงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะพวกครูชี้เห็นความจริงนะไม่ไม่ได้บางทีนักวิทยาศาสตร์ช่วงนี้ถ้าฟังพก่กครูบ่อยๆคงไม่ชอบพวกครูพ่อครูไม่ได้บอกว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ดีนะวิทยาศาสตร์เก่งมากแต่น่าเสียดายเอาความเก่งตัวเองเนี่ยไปทําแค่เรื่องรูปธรรมในแง่ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีนามมาทําด้วยนะ ซึ่งเราก็เกิดมาโชคดีมากเจอพระพุทธเจ้าแล้วไงพระองค์สอนเรื่องรูปนามไม่ใช่รูปอย่างเดียวออก็แยกให้ชัดเจนแย่ร่างกายมนุษย์แบ่งเป็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมแล้วกายมาจากอะไรบอกหมดเลยนะกายมันเกิดขึ้นจากธาตุสี่เห็นไหม บอกหมดเลยละเอียดหมดเลยนะแต่เราไม่เอาท่านนักวิชาต์เอาคำสอนบูเจ้าไปวิจัยตามคํามสมเจ้าทิ้งไอความคิดเรื่องเรื่องจบอยู่แค่รูปธรรมนั้นซะแต่รูปธรรมไม่ใช่ไปทิ้งมันนะแค่นี้ก็เก่งแล้วเอาความสามารถของวิชาต์เจาะลึกเข้าไปนามมารมแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราอย่างได้สมบูรณ์แต่เขาไม่เอา มันขายไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติสภาวะธรรมเรายังไงมันปลดไม่มีวัดมันให้คะแนนไม่ได้ตั้งหากมันให้ราดยศรสรรเสริญไม่ได้เขาถึงไม่เอาไงเออไม่เอาก็ต้องมานับว่าโลกนี้จะเหลืเวลากี่ปีถ้าพ่อคูเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพ่อคูจะอายคําพูดของพ่อกูมากคุณเก่งไงคุณทําให้มนุษยชาติอายุสั้นได้ยังไง ไม่อายเหรอสมัยก่อนต้นไม้ต้นหนึ่งตายายคู่หนึ่งเลื่อยกว่าจะมันจะขาดกว่าจะผ่าเป็นแผ่นๆกว่าจะสร้างบ้านเสร็จต้นไม้อื่นมันก็ใหญ่ขึ้นมาหมดนักวิทยาศาสตร์สร้างเลื่อยเครื่องมาเนี่ยต้นไม้ร้อยสองรปีมันตัดสามาทีเสร็จแล้วนี่ไงความสามารถไงไปทําลายบ้านอยู่ของมแมลง มันก็แห่ลงมาพืชกินพืดไล่เราไงอาแล้วก็เก่งอีกพอมีปัญหาปุ๊บก็ไปสร้างเคมีไปฉีดมันกูจะฆ่ามือกูจะฆ่ามือมึงกินของกูอันนี้พ่อครูสัมผัสด้วยตัวเองนะตอนมาอยู่ใหม่ๆพ่อครูสร้างกเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทำมาหากินไม่ใช่ทำมาหาขายไล่แหลมทองศูนย์ยังไม่มีเอาศูนย์ปากท้องก่อน เพราะครูปลูกวางแผนพืชยืนต้นมะม่วงขนุนมะพร้าวอะไรที่มันกินได้ปลูกก่อนเสร็จแล้วก็พืชระดับกลางมะละกอกล้วยเสร็จแล้วก็พืชล้มลุกพืชผักสวนกลัวนวนะสุดแล้วเขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเอาขี้มันมาเป็นปุ๋ย พอข้างนอกเขาปลูกฟักแฟงแตงโมฉีดยาไอ้ที่ตายก็ตายไปไอ้ที่มันไม่ตายมันก็บีนไปในไร่เรามะม่วงออกใบกาลังสวยปุ๊บมันกินเกลี้ยงเลยนหรอนตอนนั้นผู้จัดจาการในไร่นะเราประชุมกันทุกเดือนเขาก็บอกว่าเขาขอฉีดยาได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ขอใส่ปุ๋ยเคมีบอกไม่ได้แล้วเขาบอกเราจะปลูกทำไม เอาไม่ได้ปลูกทำไมเราปลูกต้นไม้เราไม่ได้ปลูกมะม่วงนะเราปลูกต้นไม้สั่งให้ปลูกก็ปลูกเพราะครูมีกินทุกคนมีกินคุณยายแกไม่ยอมเราประชุมกันกระชี้เห็นไหมแปลงผักที่แกรับผิดชอบมันเหลือแต่ก้านทำอะไรงโง่ๆทำไมบอกให้ปลูกก็ปลูกเพราะครูมีจะกินทุกคนมีกิน รู้อยู่แต่เราทำอะไรงงๆทำไมปลูกแล้วมันไม่ได้มีมันไม่ได้กินโอเคนะคุณยายฟังนะเดี๋ยวจะให้ใส่ปุ๋ยเคมีให้มันโตเร็วๆฉีดย า, ยมาแมลงกูจะฆ่ามึงฆ่ามึงแล้วผักนี้สวยมากเลยแล้วเอาไปเลี้ยงพระที่วัดนี่คิดว่าได้บุญเหรอข้าพระ ผ, ผนรงนะมันเป็นแมลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็แบบนี้แหละอันนี้พวกครูให้ปลูกผักให้มแมลงกินทุกวันเนี่ยได้บุญทุกวัน สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้บุญทําบุญทุกวันไม่ดีใจอีกไม่ต้องเสียเวลาเด็ดผักไปเลี้ยงพระด้วยเลี้ยงมแมลงก็เหมือนกันไงทุกวันนี้คนในไร่ไม่มีใครเป็นแมลงสักคนหนึ่งมีสองครอบครัวเขาบอกพอคูบ้าคือพ่อครูเอาที่แปลงนี้นะเป็นที่ของพวกเขาหมดล แต่ดีว่าสปสะกอที่นี่เขาบอกว่าห้ามขายพราครูยิ่งชอบประชุมกันว่าห้ามขายถ้าทุกคนจะแต่งงานมีลูกห้ามเกินสองคนเดี๋ยวต่อไปพื้นที่มันไม่พอสองคนมาแทนพ่อแม่มันแล้วมันก็ออกได้อีกสองคนแทนพ่อแม่มันสุดท้ายหลายคนมันไม่แต่งงานเลยมันเบี่ยงไปเวี่ยงมามันไม่แต่งงานสงสัยที่มันเกินละ ไอ้สองครอบครัวมก็หนีไปเลยไปแค่สองปีครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวติดคุกนะลูกชายติดเหล้าติดยาเสพติดอีกครอบครัวหนึ่งไปติดเอสดูไหมตอนนั้นครูโก้ เป็นเด็กๆอยู่เพราะครูมาเมกาใหม่ๆมันอยู่ในเมืองเนี่เยเล็บยาวปากแดงส้นสูง ส, งสวยๆถ้าไม่เอาไาอยู่ในป่าสงสัยมันเป็นเอดตายไปแล้วบัดนี้เป็นประธานมูลนิธิเพื่อผู้ ด, ด้อยโอกาสศูนย์พลานก่อยพอเผลอปุ๊บก็ไปนั่งอยู่ในป่ามะม่วงมันไปเล่นไพ่กัน พอครูเดินไปมันจะวิ่งหนีเดียพึ่งหนีขอเล่นด้วยก็นั่งคุยกับเขาเขาก็บ่นว่าที่นี่ไม่อิสระทำอะไรก็ไม่ได้มันจะไปกรุงเทพไปทำงานกันไปกรุงเทพเพื่อนไปทำงานกรุงเทพนะเสาร์อาทิตย์ก็ไปไฟังคอนเสิร์ตฟรีไงฟรีคอนเสิร์ตไง้จะกลับมาบ้านไม่มีเงินค่ารถต้องโทรให้พ่อแม่ส่งเงินให้ทุกครั้ง บอกอยู่นี่ไม่อิสระพอครูเลยบอกว่ามีไก่สองตัวตัวหนึ่งอยู่ในซุ้มตัวหนึ่งอิสระมากจะกินที่ไหนไปที่ไหนก็ได้วันหนึ่งมีเสือตัวหนึ่งมาไก่ตัวไหนมันตายก่อนมันบอกไก่ตัวอยู่ข้างนอกเห็นหั้ยแต่ไก่อยู่ในซุ้มเนี่ยบัดนี้เป็นครูทั้งหมดเลยซุ้มนี่ไม่ใช่ห้องขัง มันคือศีลมันคือเกาะป้องกันภยัยไอ้ที่ออกไปเป็นทั้งหนี้ศีลติดยาเสพติดติดเหล้ามันอิสระไหมเป็นทาตถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าทําะทำดังที่พระ อ, องค์บอกเราจะเป็นไทยหมดเราบุญเยอะนะเกิดมาก็เป็นไทยอยู่แล้วหาเรื่องไม่เป็นทาต ใครตั้งชื่อประเทศไทยก็ไม่รู้เพราะคูชอบชอบพระคูถึงระเบิดเพื่กูกลับมาเป็นไทยที่นี่ไปที่อเมริกาเป็นทาสลวยแค่ไหนก็เป็นทาสเป็นทาสวัตถุนิยมทุนนิยมเราไม่สามารถอิสระได้เลยก็เลยกลับมาเป็นไทยเห็นไหมเราเป็นไทยอยู่ดีๆเราส่งลูกหลานไปเป็นทาส ถ้าจิตมันเกิดปัญญาแล้วมันไม่จะทำอะไรโง่ๆมันไม่ทำก็สรุปว่าไม่รู้เพื่อนะพูดเรื่องอะไรบ้างนะโยกไปโยกมานะพูดเพื่อนเล่าให้ฟังว่ายี่กปีเนี่ยพ่อครูเจออะไรบ้างไม่ยอมอ่านภไพฑีบิดด ก, ก็ถูกว่าไอ้ที่อ่านจบจนสูงสุดแล้วไปนั่งเถียงกันแปรไม่เหมือนกันอยู่ต้งนั้นเลย คนเขาไม่สงสัยก็ต้องบังคับให้เขาไปสงสัยนะนี่แหละสุดท้ายก็มาอยู่ที่สามันเป็นปกติดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าที่ศูนย์นี้เหมือนเดิมพาะครูไม่รูจ้จะเอาไม่ฉีไปซ่อนที่ไหนมันเป็นฟิตเนสไม่ได้มันเป็นวิถีเราแล้วไม่เป็นไรเราก็เดินตามวิถีเราไปพาะครูก็พูดธรรมะบ้างแค่สังเขต ส่วนออกไปข้างนอกนะโดยเฉพาะศูนย์กรุงเทพเราเนี่เป็นฟิตเน็ตกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขพอพูดแค่นี้เป็นเรื่องอีกแค่ที่ทารุ่นเก่าๆ พ, พ่ะครูสอนที้เขาติดสุขเหรอมันมีคําว่า ส, สุขสุดท้ายนะกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีมีสุขถามว่าคุณรู้เปล่าสุขมันคืออะไรนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่อย่าไปพูดถึงนิพานเอาแค่มันสุกตามอัตภาพก่อนแค่ทุกวันนี้เราก็สุกไม่ได้แล้วจะไปพูดสุกสูง ข, ข, ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเอามันพื้นฐานให้เขายอมมามาเต้นกับเราเถอะเนาะตอนนี้ก็หลังจากมันถึงเวลาเนี่ยไอ้คำว่าฟิตเนสนี่มันดีมากเพราะคุูก็เปลือ้อฟื้นภาษาอังกฤษที่มันมันเวียงทิ้งหมดแล้วละมันจาไม่ได้แต่เนื่องจากหน้าที่เราต้องมาทา เนื่องจากมันจะเป็นสากลไงสากลมันมันบังคับว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเห็นหมฟิตบอดี้ท์ทีแรกว่าเอา good emotion นะแต่คุณฝรั่งบอกว่าเขียนเป็น strong spirit ดีกว่า for better life โอเคพวกกูก็เรียงลำดับแล้วมีเช้าสายบ่ายเย็นใช่ไหมบังเอิญ ฟ r e e อ็ก r ์เพรสชหรือนาน า, นาจิตตังเราเนี่ยนะเราก็เช็คแอนด์แดนนคุณเล็กก็ไปทำโปรแกรมเช็คแอนด์แดนน everywhere every time พร ก, กูก็ไปเปิดดิกชันนี้ดูมันไปเจอคำว่า Check up Of your mind คือกระตุ้นให้จิตเราตื่นบังเอิญเขาก็ไปเสิร์ชปุ๊บมันก็มีเพลงนี้จริงๆ Check up of your m i n นะปลุกให้จิตตื่นใช่ไหมแล้วก็ไปเจอคำว่า dance เซอรไซไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งฝรั่งคนนี้เขาบอกเขาก็ไม่เคยได้ยินแต่เขาเข้าใจเราได้ยินแค่ exercise แต่ dictionary มันมี d ด n c e เซไซคือออกกำลังกายโดยการเต้นรา มันก็เข้าล็อกเราหมดเห็นมมันจะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็แดนซ์เทเลปีเอยู่ในนี้หมดนะเราเวียงนี่เป็นลมปานนะเราใช้พลังลมปานบำบัดเนี่ยมันก็เป็นเอเ r อ y เทเลปีก็ได้ไม่ได้ซีนก็ได้ฟิตเนสเราอยู่เนี่ยเป็นโฮลิสติกทั้งกายทั้งจิตทั้งอารมณ์ และอิโมชันดีทอคคือล้างพิษทางอารมณ์มันอยู่ในนี้หมดมันยังไม่สุกเต็มที่ก็ทิ้งไอ้สุกสุดิบดิบซะให้มันสุกตามอัตภาพก่อนแล้วก็ลดทุกน้อยลงแล้วสุดท้ายมันเป็นสุกอย่างยิ่งภาษามันเรียกยังไงเพราะคูไม่สนใจล่ะเอาภาษาธรรมดาธรรมดาภาษาธรรมคือภาษาธรรมดาธรรมดานะอย่าไปเถียงกัน นิพานคืออะไรอะไรคือสติอะไรคือปัญญาและสุดท้ายตัวเองไม่ยอมปฏิบัติเลยมีแต่อยากรู้พวกครูสุกงอมแล้วนะยี่สิกปีมันถึงเวลาจริงๆไม่งั้นพวกครูไม่มีเครื่องมือออกไปจริงๆแล้วไม่ออกไปก็สบายดีนะหลายคนไม่อยากพวกครูออกไปหรอกงงสุขภาพพวกครูเพราะว่าเข้าใจผิดนะพวกครูยิ่งได้ทํางานพวกครูยิ่งแข็งแรงนะนะ ร่างกายไม่ต้องเติมมากหรอกเราเติมอาหารให้จิตเนาะเติมกําลังให้จิตทุกวันการให้นี่เป็นกําลังอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าต้องให้ถูกวิธีให้ไม่ถูกวิธีเนี่ยมันเป็นยาพิษนะแล้วตอนนี้คนเขาจ้องกันอยู่จ้องจ้องจ้องจ้องนะก็หลีกเลี่ยงพูดเรื่องศาสนาแต่ว่าคลื่นมันแรงมากนี่เมื่อกี้ยังเถียงกันไม่เลิกพอจะมาพกก่อคูก็เปิดข่าวดูนะเขาจะเสนอพระสังฆราชอีกฝ่ายหนึ่งก็โจมตีละ่ะ ไม่มียุคไหนที่มันเลวร้ายขนาดนี้เขาก็มีกติกาของเขาเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้วไม่อ้างโน่นอ้างนี่เห็น ไ, ไหมคนในศาสนายังยังยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราจะไปสอนให้คนข้างนอกเนี่ยเขาพ้นทุกข์ได้อย่างไรอันนี้พวกคูต้องพูดให้พวกเราเข้าใจนะต่อไปถึงต้องไม่จะาถามอีกว่าทําไมต้องเป็นฟิตเนสเรารู้อยู่แล้วเลยจะเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแย้งทําไม ไม่ต้องเพราะครูไม่สนใจหรอกเรียกว่ายังไงใช้ภาษาอะไรเพราะครูต้องการให้ทุกคนเกิดมรรคผลส่วนคำว่านิพานซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมานมันกลัวขอให้มาเจริญมรรคเราเต้นเราก็แข็งแรงผลคือแข็งแรงสำคัญว่าอย่าหยุดเต้นจงมั่นใจคำว่าเต้นลัมของเราเนี่ย ไม่ใช่เมถุนสังโยชน์เราไม่ใช่พวกเด็กเยาวชนไปเต้นที่เทคที่นั่นนะนั่นเมถุนมันเต้นด้วยอารมณ์สนุกขาดสติพอชนกันปุ๊บตีกันฆ่ากันเราเต้นด้วยสติด้วยสมาธิเอาอารมณ์ออกเห็นไหมเต้นเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เจตนานะทหารสองคนนี่ออกไปลบศึกคนนิงยิงศัตรูตายบาป คนนี้ยิงศัตรูตายไม่บาปเห็นไหมเอ๊ะทำไมพ่อคูเลือกที่รักมักที่ช่งแม่ค้าสองคนคนนี้เชือดคอไก่บาปคนนี้เชือดคอไก่ไม่บาปเอาอีกแล้วทําเหมือนกันทําไมคนนี้บาปไม่บาปคนนี้ยิงปุ๊บมันสะใจมันยิงด้วยตัณหามันบันทึกสัญญาแล้วคนนี้สักแต่ว่ายิงลูกปืนไปฆ่าเขามันไม่ได้ฆ่า มันทำหน้าที่มันไม่บันทึกสัญญาแต่กรรมเฉพาะหน้าเนี่ยคนที่เชื่อดคอไก่เหมือนกันคนนี้เชื้อเพราะอยากมั่งคั่งร่ำรวยเชื่อเพราะเกียดมันนะยินดีกับการฆ่าเพราะฉันจะรวยนะคนที่เชื้อนี่ถ้าเป็นเท่าแก่ด้วยแต่คนนี้เชื่อเป็นลูกน้องกูก็เชื้อไปเชื้อไป เห็นหมันลงฆ่าสัตว์ลงเชือดไก่เนี่ยเขาใช้คนอิสลามไปเชือดคนนี้เขาไม่มีเจตนาเขาทำหน้าที่เฉยๆแต่ทั้งทหารทั้งแม่ค้าคนนี้เนี่ยกรรมเฉพาะหน้าเขาไปออกลบสึกนี่ยโอกาสที่เขาถูกยิงตายก็มีโอกาสเหยียบกับระเบิดก็มีมันเป็นกรรมทั้งมันไม่เกิดก็คือไม่เกิดคาว่าวิบากกรรมคือว่า ต้องเนื่องด้วยเจตนาถ้าเจตนาปุ๊บเนี่ยมันจะบันทึกสัญญาอยู่ในจิตเราเผาก็ไม่จบโปรแกรมนี้มันข้ามพบข้ามชาติเราเต้นแต่ภาษาบอกเราเต้นลำเราเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมไม่ต้องแช่ว่าเต้นลำเหมือนสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าคบชู้สู่สาวเนี่ผิดศีลใช่ไหมทุกวันนี้มันใช้จิ๊กมันก็เลยไม่ผิดศีลใช่ไหม มันเลี่ยงบรลีเนาะเราจากเลี่ยงไหมแล้วก็เรียกอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องขัดหูเขาดีไหมไม่ต้องว่าเต้นลำจะโอ้ม่อริยบทยืนเดินนั่งนอนอริอริยบทเต้นนะเต้นลิงดีไมไม่ต้องเต้นลำดีไหมมันเป็นแค่กิริยาเฉยๆอยู่ที่เจตนาของเรา บางคนก็ไปติดตัวหนังสือไงถ้าอย่างนี้บาปทั้งนี้ไม่บาปทั้งนี้ผิดศีลไม่ผิดศีลเนาะเนาะจริงๆแล้วผิดไม่ผิดอยู่ที่เจตนาเรานะศีลแมนแม่นสองข้อแม่นแม่นเตือนตัวเองตลอดบางทีมันจําไม่ได้แม้ก็ทั้งศีลแปดบางคนจําไม่ได้นียนับไม่ได้เลยนะมันกี่ข้อนะแม่นแม่นจำไม่สงข้อไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นแหละ สินสองข้อนี้จะคุ้มครองชีวิตเราบางคนแบกหลายหลายสิ น, นะสินส0มร้อยกว่าก็ช่างนะถือถือหลุดๆถือถือหลุดหลุดไ ห, ดหด ม, มอันนี้เป็นแค่กวาข้อกำกับเป็นข้อกำกับข้อเตือนสติในการอยู่ร่วมกันนะสินตอนนี้พ่อครูถือสินกี่ข้อนะบางคนถามเนาะ2ีปีแล้วนะบกเวี่ยงทิ้งหมดแล้วมันหนัก บางคนตกใจนะคนไม่มีสินมาแสดงธรรมแต่พ่อกูไม่ทำชั่วแน่นอนไม่ว่าต่อหน้ารับหลังไม่มีสักข้อสินคือความปกติของจิตเมื่อมันไม่มีความอยากแล้วมันไม่แส่สายแล้วทำไมมันจาเป็นต้องไปทำผิดมันไม่ทำผิดเพราะมันกลัวผิดสินนะไม่ไม่ใช่มันกลัวผิดสินไม่เพราะมันไม่มีเหตุต้องไปทําม่อมันมีความอยากแล้วมันจะไปทาทาไม ทาสานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมศีลบริสุทธ์ด้วยทาสาสนศีลห้าเพราะมันไม่มีความอยากอยากคือต้นเหตุของทุกทุกเพราะอยากกุมันไปสร้างกรรมพอสร้างกรรมปุ๊บสัตว์โลกย่อไปไปตามกรรมเราก็ต้องทุกข์เพราะเพราะกรรมนั้นทีนี้ทาสานมัน ม, มีความอยากมันทำไมต้องผิดศีลล่ะมันไม่ใช่ทำ มันไม่ทำชั่วเพราะมันกลัวผิดศีล น, นะไม่มันไม่มีเหตุต้องทำเพราะมันไม่มีความอยากเมื่อจิตเรากลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเราเนี่ยมันมันก็เป็นศีลแล้วไงแต่ตอนนี้มือถือสากปากถือศีล น, นะเออปากก็นับไปมือก็ถือไปคำนี้มาจากไหนรู้ไหมมือถือสากปากถือศีลบอกย้ายไปไหนไปถือศีลแปดอยู่ที่วัดแอบตามไปดูปุ๊บ ก็หุดในถุงย่าง อ, าออกมานะเอาโคกเล็กๆออกมาเอาศากเล็กๆออกมาเห็นไหมก็เอาหมากมาตํามาตํามาตํามาตําตปากก็บอกถือศีลแต่มือก็ถือสากแล้วก็บนนินทาคนนั้นหมุนดินทาคนนี้อันนี้เขาเรียกว่ามื อ, มอถือสากปากถือศีลนนบางทีปากก็ไม่ได้ถือด้วยสร้างบัญชีกรรมตลอด แต่ไปติดรูปแบบว่าฉันไปถือศีลแปดแล้ววันนี้ฉันไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยฉันนั่งเฝ้าศาลามัวแต่ถือศากตำคกเขี้ยวมากแล้วก็บนเทศคนนั้นบ่นดาคนนี้นั่นแหละเขาบอกเาถือศีลปดแล้วแล้วติดไปแค่รูปแบบนะ น, นะก็มีคนถามพระครูอีกพ่อครูแพ่เมตตาไหม เอออยากแผ่อยากอยากฝึกวิธีแผ่เมตตามาทำวัดเย็นนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนนะสวดแผ่เมตตาบางทีสวดสวดวดอุ้ยฟังแล้วเพาะมากเลยจนจะนอนหลับเลยนะออกไปปุ๊บเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งเป็นด่ามันเลยเห็นไมแผ่เกือบตายไม่มีเมตตาเลยพ่อครูยี่สกปีไม่เคยแผ่เมตตาแต่พ่อครูเมตตาทุกวันเราแผ่เพื่อเตือนสติให้เรา ต้องมีเมตตาเราฝึกสมาธิเพื่อให้เราเกิดสมาธิเราจเจริญสติเพื่อให้มันเกิดสติไม่ใช่ไปอยู่แค่รูปแบบฝึกสมาธิจเจริญสติแล้วพอออกไปเขาขาดสติเราไปติดรูปแบบมากเกินไปนะพอเรามาเต้นมาลำมเขาก็หาว่าเราขาดสติอีกเขาไม่รู้ว่ามีสติดีมากไม่มีสติมันจะหมุนติ้วติวติว้ไม่ลมได้ สติสัมโพธชงเป็นสติที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สติแบบกดทรงวางฟอร์มขังสำรวมแต่พูดโกโหกเขาาไอ้นี่ไม่สำรวมเลยนะคือเราไปติดรูปแบบแล้วไม่เห็นจิตไงแล้วไม่เห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็เลยสร้างกรรมไปด่าไปว่านะตอนนี้มีคนเชียร์พรากูหลายคนในอยู่ข้างนอกนะ ระดับปรดีญนาเอกเท่านั้นแหละด่าพ่อครูทุกวัน <laughs> มีคนรายงานว่าเออก็องโหสิกรรมเขาตลกน่อยอย่าไปพูดแม้แต่คำหนึ่งเดี๋ยวมันตกเก้าอี้เลยนะเพราะว่ามันจะตีกลับเนาะก็ให้เขาพูดไปเขาสนุกก็ให้เขาพูดไปเขามีความสุขก็ให้เขาพูดไปเราไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นจะไปกลัวอะไรนั่นแหละมองจับประเด็นจับภาษาพูดหนึ่ง จับวิธีการที่เขาไม่คุ้นเคยกับคนยุควันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบวิจัยชอบวิจาร์สร้างวิจิกรรมตลอดเวลาก็พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเตือนสตินั่นแหละนะพวกเรามีโอกาสแล้วอย่าประมาทเนาะถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธาเนี่ยเราสู้ มานไม่ได้มานภายในใจเราเองมันจะหล่อหรอมานข้างนอกผู้หวังดีประสงค์ร้ายมีเยอะเขาหวังดีในในัยยะที่เขาเชื่อว่ามันต้องถูกต้องทําแบบพวกเธอมันหลงทางลัที่อะไรก็ไม่รู้นะเขาก็หวังดีนะแต่ในความหวังดีเขานี่หวังดีในในัยยะที่เขาไม่รู้จรงิงเราไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินหรอกนจริงๆแล้วถ้าเขาเป็นนักวิยาศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ ถ้าอยากลองมาลองที่นี่ไม่เก็บสตังค์เชนหน่อยหนึ่งไม่ต้องขอวีซ่าตังหานทุกวันนี้หานักวิยทยาศาสตร์ยากยากมีแต่นักเรียนแบบวิยทยาศาสตร์นักวิยทยาศาสตร์ที่แท้จริงเขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาจะไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆเขาต้องทดลองถ้าเขาห่วงนะเขาห่วงพวกเราหลงทางนะถ้าเขาห่วงจริงๆนะถ้าเขารักจริงๆเนี่ยนะเขาต้องมาลุย พิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แล้วบอกพ่าเราหยุดอันนี้ยังไม่มองมาเห็นเลยแค่เห็นยูท b e หน่อยหนึ่งก็วิจารณ์ไปแล้วยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แหละนักวิศาสตร์เองทึงประกาศว่าไม่เกินร้อยปีเห็นหนี่คือปฏิมา ก, กรรมของความยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ยุคนี้เราปลูก เราทำกา ร, กรเกษตรแบบฆ่ า, มาแมลงเนี่ยนะเริ่มต้นคุก็ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยคุณเอาความจิตใจที่โหดร้ายนะแล้วคุณจะสำเร็จชีวิตได้ยังไงพ่กครูวก็บอกนาลลอนที่แกเป็นผู้จัด ก, การเนี่ยเ้าไปเดินไปดูเห็นไหมใบมะม่วงออกมากำลังสวยแล้วมันก็กัดกินหมดพวกครูถานนัรอนมันเหลืออยู่กี่ใบเหลือแค่สามใบก็ยังดีไง เวลามนุษย์แต่งกิ่งตัดหมดเลยนี่ทำไมไม่ฆ่ามนุษย์ทิง้งเอามายเอาเอายามาฉีดมนุษย์หน่อยมันตัดแต่งกิ่งนะไม่เหลือสักใบเลยนะมนุษย์เองทำไม่เป็นอะไรเลยนะมแมลงมันกินหน่อยนี่อู้ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บนะตอนนี้ไล่แหลมทองเรามีูมิคุ้มกันเลยละมแมลงมุมมันก็กางมุง้งกินมแมลง ไอ้แมลงจะกินแมลงเต็มถ้าคุณไปฉีดปุ๊บแมลงเหล่านี้มันก็ตายไงแมลงยังไม่ตายนะพอฉีดไอ้ตัวตายก็ตายตัวไม่ตายปุ๊บมันก็เพิ่มภูมิคุ้มกันมันตอนนี้ยาต้องดับเบิลต้องหลายเท่าทีนี้แมลงยังไม่ตายคนตายก่อนเป็นมะเร็งหมดมันเป็นอย่างงี้นะเรารักษาโรคเหมือนกันอุย้ยมะเร็งเห็นก้อนเนื้อปุ๊บมะเร็งเลยละ่ะถ้าเขาไม่ขู่เราเราก็ไม่ยอมรักษาไง จากมันไม่เป็นบางทีมันเครียดจนมันเป็นเลยนะบางทีเป็นมะเร็งมาอยู่ดีๆพวกกอยู่ดีๆนะเป็นมะเร็งมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ทำงานเฉยเลยพอไปตรวจปุ๊บเนื่องจากสิทธิการรับรู้ข่าวสารเธอเป็นมะเร็งปุ๊บมันซุดเลยมันไม่ได้ตายเพราะมันเป็นมะเร็งนะมันตายเพราะอุปทานมันกลัวตายอะนะแฟบเลยพวกูเคยถามคุณหมอหลายคนนะ ไอความคิดแบบนี้มันถูกเหรอเห็นไม้มมีคนหนึ่งนะที่ที่ที่ในศูนย์เราเนี่ยนะนว่าดพาไปตรวจให้มันมีเชื้อมะเร็งนว่าดปรึกษาพระครูว่ายังไงไม่ต้องบอกบางครั้งพระครูโกหกนะโกหกเพื่อช่วยชีวิต บางคนขยันพูดความจริงทุกๆเรื่องเนี่เลวร้า ย, ยิ่งกว่าบางทีโกหกบางเรื่องเพื่อช่วยเขาโจรมันวิ่งมาเอาปืนไล่ยิงมันไล่ไ ล, ไล่จะฆ่าคนนะเราเห็นนั้นน่ะมันเดียวซ้ายอยู่โจรมันถามมาเห็นไหมบอกไม่เห็นถ้าพูดความจริงให้มันเดีืยวไปทางโน้นนะเราร่วมสังคกา ร, รแล้วนะเพื่อช่วยไม่ให้มันเป็นผู้ร้ายด้วยเพื่อให้มันนั้นไม่ไม่ตาย ทีนี้คนมาเป็นมะเร็งพ่อครูก็บอกว่าพ่อครูฝันนะเห็นไหมเทวดาเขาบอกว่ามีคนในศูนย์คนหนึ่งน่หน้าตาเหมือนเราเนี่แหละนะนะกินอาหารไม่ถูกหลักเนาะต้องหยุดกินเนื้อสัตวนะ์นะนะต้องกินมังสวิรัตแล้วก็ต้องออกกำลังกายปฏิบัติธรรมเยอะ ไม่ต้องทํางานเขาก็เชื่อพระครูไงเพราะเขาศรัทธาพระครูมันเต้นไปเต้นมาไปตรวจอีกมะเร็งหายไปเลยถ้าบอกเป็นมะเร็งปุ๊บเป็นยังไงเศเลยล่ะสุดเล ย, ลเลยโรคอุปทานนี้นี่รักษายากกว่าโรคมะเร็งทีนี้พอเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยคิดเหมือนเราปลูกต้นไม้นะโอ้แมลงแมลงเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงฉีดยามัน อันนี้มะเร็งเดี๋มะเร็งเดี๋วกูจะฆ่ามึงเหมือนกันอ่ะเอาคีมโมไปยิงมันไปยิงมันไปฆ่ามันเอาเลเซอร์ไปยิงมันยิงมันฆ่ามันมะเร็งยังไม่ตายคนเป็นมะเร็งตายก่อนผมล่วงหมดเลยพราะกูเคยปรึกษาคุณหมอนนะวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเก่งแค่นี้เหรอมันเป็นมะเร็งก็จะตายอยู่แล้วมันทุกข์มากเลยทำให้มันทุกข์มากกว่าเก่าเหรอ คุณน่าจะมีเทคนิคดีกว่านี้นะนี่แหละยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แหละหลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกต้องแล้วไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนี่คือพระพุทธเจา้าเขสอนแบบนี้แต่เป้าหมายมันผิดเป้าหมายมันถูกทุนนิยมล็อกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอวิจัยเรื่องแค่นี้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความรวยของท่านนั่นเอง ปวดหัวปุ๊กินยากไปหายปวดเลยเห็นไหมระงับไม่งั้นเขาไม่เชื่อเขาไม่ซื้อกินส่วนผลข้างเคียงมันยังไงชั่งมันโลกใบนี้เละหมดเลยทำไมพ่อครูรู้เรื่องนีงน้จำใครมาพูดไม่ใช่พรอครูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คิดทุกเรื่อง ที่ได้ยินคิดทุกเรื่องที่มองเห็น4ี่สิบปีอยากได้เงินก็เงินเต็เตมบ้านแล้วมันแถมของแถมมาด้วยเป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะแก้ะหลังดันขึ้นมาจะเป็นโรคหัวใจแล้วล่ะนะถ้าภาษาพื้นทั่วไปเขาบอกเดชะบุญบุญเก่ามันให้เราระเบิดปุ๊บมันหายทันทีเลยเห็นไหม แล้วก็26ปีไม่ต้องกินยาแก้ปวดแม้แต่เม็ดหนึ่งเพราะว่ามันแก้ที่ต้นเหตุไงที่เราปวดหัวเพราะเราคิดมากสร้างมโนกรรมตลอดในทางโลกบอกดีนะคิดดีนะเราเป็นคนขยันไงแข่งขันเราชนะเงินเต็มบ้านเลยนะนั่นแหละทางโลกบอกดีนะดียังไงผลที่เราชนะเกิดจากคนอื่นแพ้เราดีใจมันร้องไห้อะดีเหรอตอนนั้นไม่สนใจหรอกขอให้ฉันได้ไง มันก็ปวดหัวสิพอระเบิดปุ๊บจิตมันไม่ง้ออยู่ต่อไปมันไม่คิดเลยเมื่อไม่ต้องสร้างโมโหกรรมมันก็ไม่ปวดไงเห็นจากตัวเราเราบอกว่าเชื่อไม่เชื่อได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องเชื่อไม่เชื่อมันเป็นความจริงไม่มีหนังสือเล่มไหนมันบอกว่าเป็นแบบนี้ก็มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆไงเห็นไหม วิทยาศาสตร์บอกไม่ชอบถามตอบไม่ได้ก็บอกเช่นนั้นเอง <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบพอไปรู้แล้วก็บอกว่าเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนบอกขี้เหนียวความรู้ก็ไม่ว่าทำไมพูดไม่ได้เพราะครูถามนักวิทยาศาสตร์ทำไมงูไม่มีขาทาไมคนต้องมีสองขา ทำไมกัวต้องมีสี่ขาตอบหน่อยตอบหน่อยพระาธิ์มาจากไหนเอ่ยนะเดี๋ยวมาตอบว่ามาจากบนะิ๊กแบงคุณบอกว่าเชื่องูก็ไม่มีขาคุณบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขานั่นเด็กมันเป็นเช่นนั้นเองให้ตอบอย่างอื่นได้เหรอเห็นไหมก็เรากินสมมติว่าเรากินกาแฟกินน้ําชาเนี่ยเราก็กินเนี่ยไหมเราก็รู้ใช่ไหม ก็เป็นปัจจิตตังไงคุณอยากรู้คุณก็กินเองสิฉันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันร้อนนิดหนึ่งมันขมนิดหนึ่งมันหวานนิดหนึ่งนะคุณก็รู้แค่นั้นไงอยากรู้ก็กินเองสิมันเป็นปัจจิตตังไงเวียาศาสตร์บอกไม่ชอบไม่ชอบมันต้องช่างตวงวัดได้มันต้องพูดได้สิมันต้องเท่ากันหมดต้มน้ำหนึ่งองศาก็ต้องเดือดสิกี่ปีกี่ปีมันก็เหมือนเก่าเห็นไหม เราคิดเรื่องอัตตนิยมมันเป็นเรื่องของรูปธรรมแต่เราไม่เคยศึกษานามธรรมาอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นนามธรรมาเป็นความรู้สึกเราใช่ไบางคนกินทุเรียนอร่อยบางคนไม่ได้กินนะแค่ดมเฉยๆกู จ, จะตายแล้วถ้ามันเป็นความจริงอร่อยไม่ต้องอร่อยทุกคนสิเห็นไหม อันนี้แหละมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังนาตาเบื้อศาสตร์ฟิสิกส์นิดไม่ได้พิสูจน์เมื่อไหร่ก็เหมือนกันหมดนั่นเป็นเรื่องของรูปธรรมไงแต่นามธรรมาไม่ใช่อย่างนั้นก็คืนนี้พ่อครูก็เอาตัวรอดอีกคืนหนึ่งเพราะมันไม่รู้จะพูดอะไรเนาะนไหนๆก็เผือพูดไปแล้วก็สรุปว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อมูลหนึ่ง ประสบการณ์หนึ่งปีพ่อครูทำให้คำว่าฟิตเนสมันเกิดขึ้นให้พวกเราเข้าใจพ่อครูต้องชี้แจงนะไม่คิดว่าจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะศูนย์นี้ไม่ใช่ของพ่อครูนะอย่างถ้าเป็นเมืองที่จเจริญอเมริกานี่นะมีปีหนึ่งเป๊ปซี่ดีที่สุดใช่ั้ยผู้บริหารมันจะเปลี่ยนรสชาติใหม่ มันต้องทําไปให้ผู้บริโภคกินดูก่อนผู้บริโภคบอกโ no น้มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นหลอกให้มันติดอยู่แล้วไงไปเปลี่ยนรสชาติยังไงเปบปซี่ไม่ใช่ของเขาเป็นของผู้บริโภคสิ่งที่พวกูทํามาไม่ใช่ของพกูไม่มีลิขสิทธิ์แต่ก่อนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงพกูต้องชี้แจงพวกเราว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เราต้องทําแบบนี้ นะมันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างเราอยากเอาตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแยง้งสงครามาศาสนากําลังเกิดขึ้นนะแต่มาที่นี่ท่านนับถือาศาสนาอะไรเรานับถือาศาสนาพุทธเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่หลงความเป็นพุทธเราเป็นพุทธ เราส่งเสริมทำดีได้ฟิตเนสก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งเป็นการให้ทานเราไม่ได้ค้าขายเราไม่ได้หาผลประโยชน์นะขอให้เราตอบจิตเราได้แลวพวกเราต้องเข้าใจด้วยร่วมกันใครเห็นต่างใครเห็นแยง้งมีสิทธิ์ยื่นกระทู้นะใช้สิทธิ์ในการ ไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ของใครสิ่งนี้ของโลกของจักรวาลของสรรพสิ่งของสรรพสัตว์ทั้งหมดนะบางทีบอกแนวพระครูเนี่แนวไหนแนวพระครูไม่มีแนวไอ้ที่ไม่มีแนวคือแนวทางของเราวิธีพระครูเป็นแบบไหนไม่มีวิธีไอ้ที่ไม่มีวิธีคือวิธีของเราจิตพค่ครูจะไม่ติดบ่วง อันนี้ไปฝึกวิธีนั้นโอ้ฉันนั่งสงบสงบเธอ้องนั่มดูทางนั่มดูนั่ ง, ง, ง, งดูตัวเองหลงไม่พอพาเขาหลงด้วยเมื่อกี้อ่านให้ฟังนไปติดมันน่ติดสงบนั้นน่ะมันก็เป็นมันก็เป็นลาค้าอย่างหนึ่งก็ครูบาอาจารย์บอกแล้วไปติดสุขในฌานไม่ฟังไม่ฟังเดี๋ยวก็เดีย้ยงนะ จิตยุบละายเนี่ยตัวใครตัวมันนะคือคือไอแนวเราเราฝึกยังไงเราปลดป่อยให้จิตเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าคุณไปฝึกวิธีกดมันไว้ลมปานมันขัดแย้งเดี๋ยวธาตุไฟแตกนี่นะนะบางทีเรากําลังหลงเราไม่รู้ว่าเรากำลังหลงไหยรู้ตัวดีรู้ตัวดีอ่ามันรู้มันรู้มันรู้คุยกับอารมณ์นั่นแหละแต่มันไม่รู้ว่ามันพอเพียงไม่พอดีไหม ช่นั้นถ้าเรามีศรัทธาใครเตือนเราก็ไม่ตื่นเพราะมันติดจริงๆที่นี้ออกมาไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าจิตวิปลาสพอฟังแล้ววิกกัวมากไม่ปฏิบัติดีกว่าไม่ปฏิบัติก็วิปลาสอยู่แล้วทุกวันนี้วิปวิปลาสหมดนะเราสำคัญผิดว่าทุกอย่างมันเที่ยงไงต้องปฏิบัติมันอาจจะหลุดจากวิปลาสก็ได้แต่จะไปหลงวิปลาสใหม่เท่านั้นเอง ผู้เจ้ายิ่งใหญ่มากพระองค์เตือนแล้วน่ะบำพะชิตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในใช่ไหมข้างนอกเราเสพสุดโต่งข้างนอกนี่เราก็ไปติดว่าทุกอย่างมันเที่ยงแท้แน่นอนจิตวิปลาดไปเข้าใจผิดว่าตัวกูของกูไงพอเข้าไปก็ไปหลงอารมณ์นั่นอีกเห็นไหมเพราะในวิปัสนามีไปวิปัสนูกิเลสตอนนี้ไปดีๆปุ๊บก็มาอยู่ที่ฌานอีกก็ไปติดอีก จิตวิปลาดอีกไปเข้าใจว่าความสบบนั้นเที่ยงแท้แน่นอนพราะูนั่งยิ้มนะโอ้กิเลสนี่มันสุดยอดเลย <c oughs> นะมนุษย์เรามันทะเลาะ ก, กันไม่ได้หรอกมนุษย์ทะเลาะ ก, กันไม่เป็นไอ้ที่มันทะเลาะ ก, กันกิเลสมันทะเลาะ ก, กันต่างหากนะพราะูนั่งดูพวกเราทุกวันแอบดูนะถ้าแอบดูในขโมยดูก็ผิดศีล น, น ะ, <c oughs> นะมองดู นะเพราะห่วงใยนะเพราะกูเบื่อเบื่อที่จะรู้อะไรทำไมมีเวลามากมายจะไปแอ บ, บดูของคนล่ะนะแอบบดูมันคิดอะไรวะอะไรนี่นะทำไมพระกูจะไม่รู้ไม่ต้องแอ บ, บเดี๋ยวมันก็รู้จะไปรู้ทำไมล่ะมันไม่ต้องการรู้อะไรอะไรก็ไม่ใช่ไงไม่ต้องการรู้อะไรนะยังบังคับว่าต้องอ่านหนังสือต้องอะไรเนี่ยหลายปีหนอตั้งแต่ ท่านมหาอยู่กับพ่อครูพระครูอ่านน้อยอ่านหน่อยจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติบอกอาจารย์มหาอ่านไปเถอะอ่านไปเถอะเดี๋ยวพระครูเป่งออกมาไม่รู้ภาษาที่มันจํามาหรือมันออกมาจากข้างในเดี๋ยวมันจะมั่วนะเดี๋ยวพระครูจะเป็นวิปลาดอีกคนหนึ่งนะไปสําคัญผิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้อีกเห็นไหมไปหลงตัวรู้นะเป็นจิต ว, ว, วิปลาดนะโอ้ยฟังพระครูน่ากลัวมากไม่ฝึกจิตดีกว่าไม่ฝึกก็อีวิปลาดอยู่แล้วไง ที่เราหลงอัตตาตัวตนเนี่ยก็วิปร้าทั้งนั้นแหละเรามาปฏิบัติเพื่อจะปลดปล่อยความหลงผิดของเรานะก็พวกเราถือว่าบุญเยอะละนะที่มีโอกาสยังไงถ้าครูบาอาจารย์พูดอะไรเนี่ยถ้ามันมันไม่เข้าหูนี่โชคดีนะก็สักแต่ว่าได้ยินไงแต่ถ้ามันเข้าหูมันลงใจวันน้อย ใ, ใจนั่นต้องมีสตินะ อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะเอาไปพิจารณาดีๆถ้าเราศรัทธาในครูบาอาจารย์เออท่านคงไม่ทำร้ายเราหรอกนะเออท่านคงมีนัยยะอะไรคนทุกวันนี้เปาะบางมากจริงๆแล้วจิตพระครูเป็นเซนนะแต่เซนมาใช้ในยุคนี้คนอ่อนแออย่างนี้ไม่ได้แค่พูดเฉียดเฉียดหัวเฉยๆเนี่ยอุ้ยมันน้อยใจมันเจ็บเจ็บเซนเขาไม่นะ เ้าตีหัวปกเลยตีหัวฉันทำไมแต่มันไม่เคยโกรธครูบาอาจารย์มันต้องไปนั่งคิดไอ้ครูบาอาจารย์โกรเอาโปรอะไรเราเซนเขาไม่สอนนะเขาใส่เลยนะหลวงพ่อชาเคยชาอย่างนี้ไงอาจารย์ชยาสาโลเนี่ยที่อยู่โคราชตอนนี้ลหละถึงคิวท่านเป็นนวดครูบาอาจารย์นั่นอู้จิต ท, ท่านกระยิมยิ้งย่องเลยเห็นโดนถีไปทีหนึ่ง ไปน้อยใจอยู่ตั้งหลายวันเหนวดให้ทำไมมาทีบฉันแต่เนื่องจากท่านศรัทธาท่านไม่หนีทีนี้ถามถามถามถามพอถึงตัวท่านปุ๊บเลยไม่ถามอีกยิ่งน้อยใจอีกกูจะไปหรือกูจะอยู่วะท่านศรัทธาไงสุดท้ายท่านก็รอดมาเซนเขาสอนแบบนั้นบางอย่างมันอธิบายตรงๆไม่ได้หรอกมันต้องทาให้เห็นเอง อุ้ยน้อยใจอุ้ยเจ็บใจถ้าเจอเซ็นมึงไปตายซะให้มันเจ็บขึ้นมาอีกนะเพราะมันไม่เห็นทุกข์มันไม่เห็นธรรมไงแต่เขาไม่หนีตีก็ไม่หนีเตะก็ไม่หนีด่าก็ไม่หนีนีถ้าศรัทธามีคำด่ากลายเป็นคำสอนถ้าศรัทธาหมดคำสอนกลายเป็นคำด่า